เศริยวัดปกินนกกะวดที่สมีสามสิกขาบทแสดงโดยสังเขปดังนี้พึงทมศึกษาว่าเราไม่อพาดหนึ่งจะไม่ยืนถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ 2. จัจะไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนเคละคือน้ำลายบนของสดเขียวส จากไมถายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนเคละคือน้ำลายในน้ำเป็นธรรมเนียมของภิกษุนั่งถ่ายปัสสาวะและไม่ทำโสโรครกในนาในไร่ที่เขาปลูกพืชและในน้ำที่บริโภคใช้สอยได้ลานหญ้าที่เขารักษาในบนัตรนี้ส่งรอกเข้าในของเขียวสดภูตคาม คือของเขียวหรือพืชพันธ์อันเป็นอยู่กับที่ที่เขาไม่ได้รักษาเป็นแต่ขึ้นรกอาได้จัดเข้าในที่นี้ไม่น้ำนั้นในบอ่อในสระที่คนขุดไว้ใช้ก็ตามในที่ขังอยู่เองเช่นในหนองในบึงก็ตามในที่น้ำไหลเช่นในคลองในแม่น้ำก็ตามห้ามทั้งนั้น เป็นไวแต่น้ำที่ไม่ใช้บริโภคเช่นน้ำเนา่าน้ำทะเลในคราวที่น้ำท่วมไม่มีที่บกจะถ่ายท่านอนุญาตคนสามัญมักเห็นการถ่ายของโโกโรกลงในน้ำไหลไม่เป็นไรแต่พวกภิกษุเข้าใจมาก่อนแล้วว่าทำน้ำให้เสียจึงมีธรรมเนียมห้ามตลอดถึงน้ำไหล แต่ธรรมเนียมนี้ละเอียดเกินไปสำหรับคนพื้นเมืองจึงไม่มีใครรู้ถึงในหมวดนี้มีปรับอาบัต ท, ทุกกฏเพราะไม่เอือ้อเฟือและมีข้อยกเว้นตามเคย